จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาเจบุญใจกุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21รกรกฎ า, าคมพุทธศักราช2556เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเนื่องจากเป็นวันหยุดช่วง เทศกาลเข้าพรรษานวันอาสาธรมบูชาจึงได้มีวันหยุดยาวนานถึงสี่วันด้วยกันจึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์มาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ก็เปรียบเหมือนกับการมาลงทุนมาซื้อบ้านใหม่ เพราะว่าบ้านเก่าที่เราอยู่กันในวันนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมไปพังไปหมดสภาพไปเมื่อเรารู้ว่าบ้านเก่าต่อไปก็จะต้องเสื่อมไปหมดไปเราก็ต้องเตรียมตัวสร้างบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ด้วยการผ่อนดาวผ่อนงวดสำหรับบ้านใหม่ พอบ้านเก่าเราหมดสภาพเราก็จะได้ย้ายเข้าบ้านใหม่เลยไม่ต้องไปเล่ร่อนเป็นคนขอทานเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยสอนคอยบอกคอยเตือนเราให้เราเตรียมตัวสร้างบ้านหลังใหม่กัน ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์เราก็จะหลงสร้างบ้านหลังเก่านี้คอยตกแต่งบ้านหลังเก่าคอยซ่อมบ้านหลังเก่าแล้วก็คอยหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมาเก็บเอาไว้ในบ้านเก่าของเราพอถึงเวลาที่บ้านเก่าของเราพังไป เราก็เอาอะไรไปกับเราไม่ได้เลยเราจะไปตัวเปล่าเปล่าแต่ถ้าเราต้องมัดผ่อนดาวผ่อนส่งค่าบ้า น, นาใหม่กันค่ารถใหม่ค่าข้าว ข, ของสมบัติใหม่ต่างๆพอเราจากโลกนี้ไปพอบ้านหลังนี้คือร่างกายร่างนี้หมดสภาพไปเราก็จะได้ไป ย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่เลยก่อนที่เราจะเข้าอยู่บ้านใหม่เราก็จะได้ไปท่องเที่ยวในแดนทิพย์ในแดนสวรรค์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้กลับมาเกิดใหม่มาได้เป็นมนุษย์ที่มีความมั่งคัง่งมีความอุ ด, ดมสมบูรณ์มีความสวยงามมีความสุขความสบายต่างๆ ไม่ต้องเดือดร้อนดิ้นรน ข, นขวนขวายเพราะว่าเราได้สร้างบ้านใหม่ของเราชีวิตใหม่ของเราตั้งแต่ขนาดนี้ไปถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็จะเสียดายเงินทองเสียดายทรัพย์สมบัติต่างๆเราก็จะไม่ปฏิบัติาตามคือไม่ยอมทาบุญ ไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมภาวนามัวแต่จะหาราบยศสรรเสริมหาความสุขทางตาหูจม่งนิ้วกายถ้าทำอย่างนี้เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไปแบบขอทานเพราะเราไม่สามารถเอาทรัพย์ทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาสะสมขึ้นมาในภพนี้ในชาตินี้ไปกับเราได้ เราก็จะไปแบบตัวเปล่าๆหรือว่าถ้าเรากลับมาหาทรัพย์ของเราเราก็จะไม่ได้กลับมาใช้ทรัพย์ของเราเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ทรัพย์ของเราที่เรามีอยู่ก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเขาจะไม่ยอมเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์อันเดิมดังนีเหตุการณ์ในสมัยพระพุทธการ มีเศรษฐีท่านหนึ่งมีเงินทองมากแต่มีความหวงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะไม่อยากจะให้ใครแล้วก็ไม่รู้ว่าตายไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเอาเป็นของตนได้อีกแต่ความหวงความโง่ไม่มีใครสั่งใครสอนให้ทาบุญให้รักษาศีลให้ภาวนา ก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจกับการหาทรัพย์ได้ทรัพย์มาก็เอาไปซ่อนไว้เอาไปฝังไว้ในดินตามสถานที่ต่างๆไม่มีใครรู้ไม่บอกให้ลูกให้หลานรู้พ อ, อถึงเวลาตายไปก็ด้วยความห่วงใยด้วยความคิดถึงทรัพย์สมบัติของตนก็เลยได้กลับมาเกิดใหม่ แต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเป็นสุนัข ก, ก็ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์ของตนที่ได้ฝังเอาไว้ในดินเอามาใช้ได้เพราะสุนัขไม่มีปัญญาที่จะใช้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จผ่านมาเห็นสุนัขตัวนี้ก็เลยบอกลูกหลานไว้ ว่าสุนัขตัวนี้ก็คือพ่อของพวกเธอที่ตายไปด้วยความรักสมบัติด้วยความห่วงสมบัติก็เลยกลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านถ้าพวกเธอเลี้ยงสุนัขนี้ไว้ให้ดีอย่าให้สุนัขนี้เป็นอะไรไปเดี๋ยวสุนัขตัวนี้จะไปขุดสมบัติให้พวกเธอเองแล้วไม่นานสุนัข ก, ก็ไปขุดสมบัติตามที่สุนัขได้ ฝังเอาไว้นี่คือเรื่องจริงเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเรานั้นไม่ได้จบที่ความตายความตายเป็นการจบของร่างกายซึ่งร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนบ้านของเรานี้เองตัวเราคืออะไรตัวเราก็คือใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้อาศัยร่างกายนี้ เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมาพอเราได้สิ่งต่างๆมาถ้าเราหลงเราก็จะหวงจะยึดติดเราจะลืมไปว่าเวลาเราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถเอาทรัพย์ต่างๆไปได้นี่คือเรื่องที่ของคนที่ไม่รู้ว่าตนเองตายไปแล้วนั้นยังจะต้องไปเกิดใหม่ต้องไปหาบ้านใหม่ ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องไปเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆอย่างที่พวกท่านทั้งหลายได้มากระทำกันดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยโกหกใครคำสอนของพระพุทธเจ้า มีอยู่มากมายกายกองล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นล้วนเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งนั้นเพราะพวกเราตอนนี้ยังไม่ฉลาดเรายังไม่รู้ว่าเราควรจะทำอะไรปฏิบัติอะไรเพื่อให้ชีวิตของเราในภายภาคหน้าดีขึ้นไปตามลำดับเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามา สั่งสอนพวกเราพวกเราก็จะเดินผิดทางกันแทนที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะสร้างบาปสร้างกรรมกันเพราะความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆมากมายซึ่งการที่จะได้มาก็ต้องทำบาปทำกรรมเพราะว่าถ้าไม่ทำบาปทำกรรมก็จะได้มาช้าได้มาน้อย และไม่ทันใจนั่นเองเราจึงเห็นคนในโลกนี้ทําบาปกันอยู่เรื่อยๆและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอยากนี้มันไม่ได้ทำให้เราเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาพอเราได้อะไรแล้วแทนที่เราจะพอเราเกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกได้คือก็อยากจะได้สอก ได้สอก็อยากจะได้วาได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านร้อยล้านพันล้านได้ไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอทั้งๆที่ชา น, นี้ก็ไม่มีวันที่จะกินหมดใช้หมดแต่ความอยากนี้มันเป็นหนาที่หัวใจพอเกิดความอยากแล้วมันต้องทาตามความอยาก ไม่เช่นนั้นมันจะเจ็บปวดรวดราวภายในใจแต่ไม่รู้ว่าวิธีทำตามความอย่างนี้ไม่ใช่วิธีถอนน้ำออกจากใจแต่เป็นการปักน้ำให้ลึกเข้าไปในใจยิ่งทำให้เกิดความปวดมากขึ้นไปอีกลกเราก็คงจะเห็นกันว่าพวกเรามีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วแทนที่เราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรากับมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะทุกครั้งเวลาที่เราอยากเราก็ต้องดิ้นรนต่อสู้แสวงหาสิ่งที่เราอยากได้ในระหว่างต่อสู้เราก็อาจจะไปสร้างเวรสร้างกรรมไปสร้างศัตรูไปทำผิดกฎหมายไปติดคุกติดตาราง ไปรับใช้บาปใช้กรรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ความสุขอย่างที่เราคิดว่าเราจะได้กันเรากลับได้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เราถอนน้าที่ทิ่มแทงหัวใจของเราน้าที่ทิ่มแทงหัวใจของพวกเราก็คือตัณหาสามประการกามาตัณหาคือความอยากในกามแปลว่าอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัพอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากไปเที่ยวอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นี่เรียกว่าความอยากในกาม ความอยากชนิดที่สองก็คือความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากจะเป็นคนใหญ่คนโตคนร่ำคนรวยคนมีชื่อเสียงมีคนยกย่อมนับหน้าถือตาอันนี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นและประการที่สามก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่ไม่อยากยากจนไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากแก่ไม่อยากตายอย่างนี้เรียกว่าความไม่อยากความความอยากไม่เป็นคืออยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่เดือดร้อนอยากไม่เจอกับสิ่งต่างๆที่ไม่น่าปรารถนานี่คือความอยากของพวกเราที่เป็น้นาทิ่มแทงหัวใจของพวกเรา วิธีที่จะถอดถอนหนามที่ทิ่มแทงหัวใจนี้เราก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นถ้าเราทาตามความอยากก็เท่ากับตอกหนานี้ให้มันฝังลึกเข้าไปในหัวใจยิ่งทำให้ปวดร้าวและยิ่งทำให้ยากต่อการที่จะถอดถอนมันออกมาวิธีที่จะถอดถอนมันเราต้องหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากเช่นไม่แห้ง ไ ม, ไม่ไม่อยากดูรูปฟังเสียงไม่อยากดื่มไม่อยากรับประทานไม่อยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ไม่อยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการที่เราจะหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ต้องตัดเครื่องมือที่เราใช้ตอบสนองความอยากเครื่องมือที่เราใช้ตอบสนองความอยากก็คือเงินทองนี่เองถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ ไปดูไปฟังไปไปดื่มไปรับประทานไม่ได้เราก็ต้องอยู่บ้านอยู่บ้านเราก็จะได้ไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบรักษาศีลอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีความสุขแทนได้ไม่ต้องออกไปหาความสุขนอกบ้านคนที่ไม่มีเงินทองเช่นพระสงฆองค์เจ้าท่านไม่มีเงินทองท่านก็เลยต้องใช้วิธี หาความสุขหาวิธีหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบนน่ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นวิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆภายในใจได้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทามาแล้วก่อนหน้านั้นพระองค์ก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมีปราสาทสามฤดู มีนางสนมมีสิ่งมาบำรุ่มบำเลอมีดนตรีให้ฟังมีละครให้ดูมีการละเล่นต่างๆให้เล่นอย่างสนุกสนานแต่พระ อ, องค์ทรงเห็นว่ามันไม่ได้ทำให้พระ อ, องค์เกิดความอิ่มเกิดความพอกลับทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเพราะทรงรู้ว่า ชีวิตของพระองค์นี้จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุด mm hmm. ก็จะไม่ใช่ไม่มีวันที่จะพบความสุขที่แท้จริงพบกับความอิ่มพบกับความพอได้เลยพระองค์จึงทรงออกบวชยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย หยุดการมากกาหาด้วยการไม่ไม่ไปอยู่ในสังคมที่เขาหากันก็คือสังคมของคาราวาญาดโยมนี่เองชีวิตของคาราวาสญาดโยมทุกวันนี้อยู่กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาใดที่ไม่ได้หาความสุขแล้วเวลานั้นก็จะมีความเศร้าส้อยน้อยเหงา มีความเบื่อหน่ายบางครั้งก็อยากจะฆ่าตัวตายเช่นเวลาทรัพย์หมดหมายความว่าหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวตอนนั้นก็อยากจะฆ่าตัวตายหรือเวลาต้องไปติดคุกติดตารางไม่สามารถออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้ก็จะก็มีความทุกข์ความทรมาน หรือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพิกลพิการเป็นอัมพึกอัมพาตหรือต้องนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถลุกขึ้นมาหาความสุขทางตาหูจมูกร่นกายได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะความอยากมันไม่ได้หยุดยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ขึ้นไปอยากให้หายอยากให้ร่างกายหายอยากออกจากคุก อยากจะกลับมาร่ำรวยมีเงินมีทองอกีกยิ่งอยากก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ใหญ่แล้วถ้าอยากมากๆ ก, ก็อาจจะต้องไปทําบาปทํากรรมเพื่อให้ได้ในสิ่งที่อยากเช่นไม่มีทรัพย์ก็อยากก็อาจจะต้องไปป้นธนาคารไปช่อโกงไปรักทรัพย์บางครั้งก็ต้องไปถึงกับฆ่าผู้อื่นเพราะมีการต่อสู้กัน ระหว่างชิงทรัพย์เวลาป้อนทรัพย์ก็เลยแทนที่จะปัดเป่าความทุกข์ความวุ่นวายใจใจต่างๆให้เบาบางลงไปก็กลับมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้เพิ่มมากขึ้นพอทำบาปผิดกฎหมายก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆ อ, อยู่แบบหวาดกลัวและเวลาถูกจับได้ ก็จะต้องถูกจับไปลงโทษถ้าไม่ถูกขังคุกขังตาราดก็ถูกประหารชีวิตไปตายไปแล้วก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้หมายความว่าบาปที่ทําไว้นั้นหมดอันนี้เป็นบาปที่ใช้กับร่างกายแต่บาปที่ต้องใช้กับจิตใจยังมีต่อตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายแล้วแต่บาปทําไว้บาปหนักบาปเบาบาปเบาก็ไปเป็นเดรัจฉาน บาปหนักขึ้นก็ไปเป็นเปรตบาปหนักยิ่งขึ้นก็ต้องไปเป็นนรกไปตกนรกนี่คือกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าดองได้ทำบาปแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้คนที่ทำบาปส่วนใหญ่ก็เพราะว่าไม่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปใช้บาปใช้กรรมจะต้องไปเกิดใหม่คนพวกนี้ ไม่เชื่อเพราะว่าไม่เข้าหาพระศาสนาไม่สนใจที่จะศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้ามันฟังเทศฟังธรรมอยู่ได้เรื่อยแล้วก็จะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาพอเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็จะได้ไม่กล้าทำบาปก็จะทำบุญจะพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คือต่อสู้ถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าถอดถอนความอยากได้ใจก็จะสงบใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขมีความอิ่มไม่หิวไม่ต้องการอะไรไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนร่างกายถูกจับขังคุกขังตารางหรือเป็นพี่คพิการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่เดือดร้อน พอใจไม่ได้ดิ้นร น, นใจสงบใจเย็นใจสบายใจไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรอันนี้แหละคือทางออกของชีวิตของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะพบกับความสุขที่ถาวรที่แท้จริงถ้าพวกเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการจะต้องไปใช่บาปใช้กรรมในอบาย หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดเราก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทามาในเบื้องต้นก็ให้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเรายังไม่สามารถสละได้หมดก็ทำเทียเล็กเทียน้อยไปก่อนอย่างที่วันนี้ญาติโยมมาทำกันเป็นการซ้อมเป็นการเตรียมตัวเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจ ไม่ให้ยึดติดกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ให้หาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองให้หาความสุขจากการทำบุญให้ทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะทำสักหนึ่งวันเรียกว่าเป็นวันพระซึ่งสมัยนี้วันพระเราก็ใช้วันไหนก็ได้คือเอาวันที่เราหยุดทำงาน เรามีเวลาว่าวันนั้นเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้ากันเพื่อจะได้เป็นการปลูกฝังนิสัยที่จะค่อยๆเจริญเติบโ ต, ตงอกงามไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะนำพาเราให้ไปสู่การปฏิบัติธรรมยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมา พระพุทธเจ้าก็ต้องทรงบำเพ็ญทานบารมีมาในแต่ละภพแต่ละชาติสร้างมาทีละเล็กทีละน้อยตอนต้นก็ให้ไปร้อยละสิต่อมาก็ขยับเป็นร้อยละ20ร้อยละ30ไปจนถึงชาติที่เป็นเทวเจษันดรก็ทาร้อยเต็มร้อยมีอะไรก็สละให้หมดไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการหาความสุขจากการ ใช้เงินทองทำตามความอยากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสุขแท้มันเป็นสุขที่มีความทุกข์ตามมาทรงใช้เวลากับการรักษาศีลบำเพ็ญตบ ะ, ะนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจากเทวดาก็กลับลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ พอมันเป็นเจ้าสายทาิฏฐะพอมีอายุมากขึ้นมีความเห็นเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายว่ากาลังคอยพระองค์อยู่พระองค์ก็เลยทรงรู้ว่าจะต้องออกบวชเพราะว่าการอยู่ในวังไม่ได้เป็นการยุติความอยากต่างๆถ้ายังมีความอยาก ก็ทรงรู้ว่ายังมีความทุกข์อยู่แล้วเมื่อมีความอยากก็ทรงรู้ว่าจะต้องไปเกิดใหม่อีกจึงต้องหาวิธีที่จะหยุดความอยากให้ได้วิธีที่ทำก็คือต้องออกจากพระราชวังไปเพราะถ้าอยู่ใกล้ๆกับสิ่งต่างๆก็จะคอยยั่วคอยดึงให้เกิดความอยากขึ้นมาเช่นถ้าเราอยู่บ้านเราเห็นตู้เย็นก็อดที่จะเปิดไม่ได้ เห็นโทรทัศน์ก็อดที่จะเปิดไม่ได้เห็นโทรศัพท์มือถือก็อดที่จะเปิดไม่ได้เพราะเรายังอยากดูอยากฟังอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่เรารู้เราเห็นนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใจเรามันไม่ได้ทำให้ใจเราสงบแต่กลับทำให้ใจเราฟุ้งซ่านเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไป พระพุทธเจ้าจึงต้องเสด็จออกจากพระราชวังไปอยู่ในป่าในเขาที่อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสีสยงจากรูปเสียงเกลิ่นตโปุถะพระชนิดต่างๆที่คอยมายั่วยวนกวนใจทำให้ใจไม่สงบนะพอไปอยู่ในป่าก็ได้ทรงบำเพ็ญเจริญสติจนสามารถเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ในฌานได้ พอเข้าไปในชานใจก็หายจากความอยากความอยากทำงานไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าเครื่องดับก็ไม่สามารถวิ่งได้ฉันใดพอจิตสงบตันหาความอยากก็ทำงานไม่ได้พอทำงานไม่ได้ความอิ่มความสุขความพอก็เกิดขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานสงบได้สักระยะหนึ่ง ก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาม า, มาคิดมารับรู้เรื่องราวต่างๆความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักวิธีที่จะหยุดความอยากเวลาออกจากสมาธิรู้แต่วิธีหยุดความอยากเวลาเข้าสมาธิเท่านั้นพอออกมาก็ยังอยากอีกก็เลยคิดว่าต้องอดข้าวเพื่อที่จะหยุดความอยาก เพราะคิดว่าถ้าร่างกายมันไม่ได้กินข้าวแล้วมันก็จะหมดแรงไปเองก็ส่งรองอดอยู่ถึง49วันด้วยกันแต่แทนที่ความอยากจะหมดไปมันก็ยังมีอยู่ทั้งทั้งที่ร่างกายนี้ใกล้จะตายแล้วหมดเลี่ยวหมดแรงไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นไปทำอะไรแล้วแต่ความอยากก็ยังมีอยู่ภายในใจพระองค์จึงทรงรู้ว่าเดินมาผิดทาง ทางที่จะหยุดความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความที่จะหยุดความอยากนี้ต้องหยุดที่ใจและก็ต้องหยุดด้วยสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเพราะว่าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับยาเป็นเพียงแต่กดความอยากเอาไว้พอออกจากสมาธิมาก็เหมือนยกหินออกจากยาพอยกหินออกจากยายาที่ถูกกดเอาไว้มันก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่ได้ วิธีที่จะทําให้หญ้าตายไปต้องถอนมันถอนรากถอนโคนวิธีที่จะทําให้ความอยากหมดไปไม่โผล่ขึ้นมาอีกก็ต้องถอนรากถอนโคนของความอยากพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าความอยากเกิดจากอะไรก็ทรงเห็นว่าความอยากเกิดจากความหลงนี่เองความหลงคืออะไรความหลงก็คือว่าไม่รู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ ไม่รู้ว่าสิ่งที่ความอยากอยากได้นี้ไม่สามารถให้ความสุขให้ความอิ่มความพอได้เพราะสิ่งต่างๆที่ความอยากอยากได้นี้มันล้วนเป็นอนิจจ์คือไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับและมันไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครทั้งนั้น ไม่มีใครสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดได้ก็ได้เป็นบางเวลาบางช่วงเช่นช่วงใหม่ๆเวลาได้อะไรมาใหม่ๆก็มีความสุขแต่พอใช้มันไปนานๆเข้ามันก็เริ่มเก่าเริ่มชารุดเริ่มเสียพอมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้เราก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเรา ไม่สามารถไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดนี่คือความหลงคือมองไม่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่มองไม่เห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆมองไม่เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะสั่งให้สิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดพอพระพุทธเจ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่ า, าปัญหาอยู่ตรงนี้เอง อยู่ที่ว่าไปหลงว่าสิ่งต่างๆจะให้ความสุขกลเราได้เช่นหลงคิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสจะให้ความสุขเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้ให้ความสุขไม่ได้ไปเสมอบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้ก็เลยไม่หามันเสียพอไม่หาความอยากหายไปแทนที่จะทุกข์กับมีความสุขขึ้นมาทุกทุกเพราะอยากพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็หายไป เช่นเดียวกับความอยากมีอยากเป็นก็เลยไม่อยากมีอยากเป็นพอไม่อยากมีอยากเป็นก็กลับมีความสุขไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมานิน่นลอนหาเงินหาทองมาหาเสียงหาตำแหน่งนี่ละคือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สามารถถอนลากถอนควนของความอยากได้เพราะทรงเห็นว่าต้นเหตุของความอยากคือความหลง ความหลงก็คือความไม่เห็นความความทุกข์ในสิ่งต่างๆไม่เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆไม่เห็นว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการได้พอเห็นอย่างนี้ก็เลยหยุดความอยากไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ได้ไปอยากไปห้ามมันมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปเพราะห้ามมันไม่ได้ พอปล่อยได้หยุดความอยากได้ก็หายทุกข์ไม่ทุกข์กับอะไรเลยอะไรจะมาจะไปก็ไม่ทุกข์อะไรเจริญจะเสื่อมก็ไม่ทุกข์น่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์นี่และคือการหยุดความอยากการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราด้วยการเริ่มต้นมาวัดบ่อยๆมาฟังเทศน์ฟังธรรม แล้วก็มาแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่นี้ให้แก่ผู้อื่นทำจากน้อยไปหามากทำไปเรื่อยๆถ้าสามารถให้หมดได้ในชาตินี้ก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจะได้บรรลุถึงพานิชพานได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทำกันท่านสละหมดเลยมีน้อยก็ให้ร้อยไปเลยแล้วก็ออกบวชกัน แต่ถ้าพวกเรายังทําไม่ได้ก็ต้องสะสมไปเท่าเล็กเท่าน้อยชาตินี้ก็ให้ไปร้อยละสิชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็เพิ่มเป็นน้อยละยี่สชาติต่อไปก็กลับมาอีกก็ยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกหลายรอบถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาตายมาเจ็บอีกหลายรอบก็สละมันไปหมดในชาตินี้เลยผัวก็ให้เขาไปเลย เมียก็ยกให้คนอื่นไปเลยลูกก็ให้คนอื่นไปเลยอย่างที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านทำกันบางองค์ท่านก็มีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีสมบัติมีข้าวของมีอยู่คู่หนึ่งสามีภรรยาท่านก็ออกบวช ด, ด้วยกันทั้งคู่เลยสามีก็ไปบวชเป็นพระภรรยาก็ไปบวชเป็นชีสามีก็ไปปฏิบัติศึกษากับหลวงปู่มั่นแล้วก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เลย นี่แหละคือความจริงของพระพุทธศาสนาเราอย่าไปหลงคิดว่าเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดสะสมบารมีไปอีกเป็นกับเป็นกันถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเรามีสิทธิที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้เลยถ้าเราไม่เสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วเรามีกำลังที่จะรักษาศีล มีกำลังที่จะไปอยู่คนเดียวในป่าในเขาเพื่อทําใจให้สงบนี้เท่านั้นดังนั้นขอฝากเรื่องของการม า, าสร้างบ้านใหม่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะยุติการเวรยียนว่ายตายเกิดด้วยการทําบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ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 ทํางในทางโลกแม้ในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ